จิตที ar ar season, ่แสดงอาการหรือตัวใจครับที่ที่ว่าไม่ดับไอ้จิตที่แสดงอาการดับเลยเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาตอนที่กายกายดับหมครับอกายดับจิตก็ดับด้วยจิตคืออาการนี้ดับจิตที่ปรงแต่งแตตัวใจยังคงอยู่เดิมแท้ๆที่มันไม่ปรุงแต่งมันมันก็เลยไม่เกิดไม่ดับเพราะมันไม่ปรุงแต่งมันไม่มีอาการอะไรแต่แรกแล้วมันเลยแต่ว่ามันมันยังคงมีกิเลสอยู่นี่ไอ้ตัวใจนี่มันก็ต้องไปหากายอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันยึดมีกิเลสอยู่เนี่ย ไอ้ตัวเนี่ยมันไปไอ้ตัวยึดเนี่ยตัวปรุงแต่งเนี่ยมันไปไปยึดอยู่มันไปติดอยู่ในใจมันมันไม่สามารถที่จะใจกับหรือสู่ความว่างเปล่าได้มันทําให้ใจไม่ว่างเปล่าไอ้ตัวที่ปรุงแต่งเนี่ยใส่ขันห้าดับนะครับแต่ความยึดไม่ดับความทุกข์มันก็มันก็ไปติดอยู่ในใจใจเลยมันไม่ว่างเปล่าเพราะว่ามันไปสร้างรูปร่างไว้เป็นกายปรุงแตงที่เรายึดอะไรไว้อ่ะไปสร้างรูปร่างเป็นตัวเราที่เรายึดตัวเราไว้ไปการปรุงแตงกระเด็นหลุดจากล่างออกไปแต่ถ้าเราสิ้นยึดแล้วเนี่ย ไอ้การปล ong แสงก็ดับไปหรือแต่ใจที่ว่างเปล่ามองหาตัวไม่เจอเหมือนคนที่หายตัวได้เพราะฉะนั้นใจกับจิจตจริงๆแทบจะแยกกันไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับสําหรับผู้ฝึกจิต ด, ดีๆแล้วแยกได้คือเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่แต่จิตเคลื่อนที่ครับที่ท่านบอกว่าไปให้สุดกุศลถึงคือไปให้สิ่งที่ไม่ไปถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับการปฏิบัติไปให้ถึงสิ้นสุดคือไปถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นคือใจหรือจิตเดิมแ ท, ท้ วิจะเรียกว่าอะไรก็ได้ภาษามันเยอะมากเลยเรียกอมตะธาตุลูกตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุแล้วปูม่านเขาเรียกตัพ่อแม่กบอาจา่ายใหญ่เรียกว่าถีติภูตัตงภาษาชื่อเยอะมากเลยะแต่ลวกูดูนาโตโลเรียกว่าพุทธะพุทธะหรือแต่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลย มีแต่ความรู้มีแต่รู้มีแต่ความรู้แต่ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเรียกว่าพุทธะนั้นเป็นชื่อสมมุติหมดนะเหล่าเนี้ยบาเซนบางท่านเขาเรียกว่าอมตะธาตุแต่หลวงูดูลย์นรโตเขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าพุทธะแต่ตอนจะดับจิตรเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจกักษษษรวาลเดิม <s> มหาสุญญาตาหรือจกักษษรวาลเดิมเพราะมันมันเป็นความหายตัวไปเป็นความว่างเปล่าเมื่อหนึ่งเดียวกับจกักรวาลเดิมตอนที่จะดับจิตท่านบอกว่ารัปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อเพื่อมาถึงจุดนี้ แล้วถ้านก็ดับขันแล้วก็บอกว่าเพื่อมาถึงจุดนี้คือมหาสุญยตาหรือจั ก, กรวาลเดิมขอขอสอบถามความเข้าใจนิดนึงนะคะสมมุติว่าใจมันเป็นธาตุรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวผู้รู้ที่เราเหมือนตั้งมันขึ้นมานี่มันไม่ใช่ อ, นนอันนี้ก็ไม่ไม่คำแล้วธาตุรู้อันนี้ <c oughs> อย่ใช่ใจเรียวกว่าธาตุรู้อันนี้ก็ไม่คําภาษาสมมุติมันเยอะต้อ ง, ต, องต้องเข้าใจใตรงกันกันแล้วกันอันนี้เรียกว่าธาตุรู้อ่ะอย่างสมมุติว่ า, วาที่เรารู้สึกว่าเราเพยายามจะตั้งสติหรือว่าให้มันรู้สึก ตัวหรือว่าผู้รู้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นสังขารอย่างหนึง่งใช่ไหมคะหลวงตาคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใจเอ่อต้องช่วยกันนะต้องมีสติต้องปรชัญญ่าช่วยไว้ตัวที่มีความรู้สึกตัวไว้ไม่ให้หลงเหม่อเผล อ, อ, อติดไปกับอะไรเนี่ยเอาสติมาตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจสติมันไม่ใช่ใจแต่มันช่วยทําให้มันมามารู้อยู่ที่ใจได้แต่ลักษณะอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับเรารู้สึกตัวอยู่อย่างเนี้ยคะ่ะมันก็เป็นแค่สังขารที่เรา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 จินคือมีความรู้สึกตัวจะเป็นปกติอันนี้ไม่ได้สร้างแล้วการเป็นความเป็นปกติมีความรู้สึกตัวจะเป็นปกติครับใหม่ก็ต้องฝึกเพราะมันยังไม่ค่อยรู้สึกตัวต้องฝึกให้รู้สึกตัวต่อไปมันเป็นความรู้สึกตัวอย่างเป็นปกติเหมือนกับว่าตอนแรกไม่เคยชินอะไรไงเราฝึกใหม่ๆตอนแรกมันยังไม่เคยชินพอฝึกไปนานๆรายการเป็นความเคยชินเลยขาดไม่ได้เหมือนอย่างนี้อย่างคนสุบูลีอย่เงี้ยมันก็ของของสุบูรีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มาแต่แรกมาแต่เดิมไงใหม่ๆไปลองสุบูลีก็ แ้วฝึกสุบุรีไปฝึกสุบุรีไปฝึกเข้าฝึกข้านานๆข้าอ่ะการสุบุรีเนี่ยไม่ต้องฝึกเห็นไหยขาดไม่ได้การไปขาดบุรีไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันเป็นของที่มันติดไปเลยอย่างที่เมื่อตอนนั้นพูดเรื่องจิตกระจายอะครับอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับจิตเลยไม่ต้องเข้าไปจัด ก, การอะไรมาเลยทล้องอยู่กับใจที่สงบและว่างเปล่านั่นแหละรู้อย่างเดียวไม่ว่าจะโกรธจะอะไรทุกอย่างรู้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ดับเองอนะ มีแต่ใจสงบลมเย็นอย่างเดียวใจสงบลมเย็นเหมือนน้ำอมฤตจนไอตัวจิตหรือตัวสังขารนก็เกิดดดับดับขอมันเองจิตไอตัวปรุงแต like ่งสังขารก็เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเป็นเรื่องของมันเองไม่เกี่ยวกับเราเราก็เป็นใจที่สงบลมเย็นไปใจที่สงบเลมเย็นว่างเปล่ามีความสุขนิพพานังประมังสุญญ์ยังเป็นมีแต่ความว่างเปล่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสุข เป็นใจที่มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสุขระบลมเย็นอยู่อย่างนั้นแนะไม่เกี่ยวกับจิตเลยแต่จิตมันก็เกิดเดดับดับอย่างนั้นเนี่ยปล่อยมันเริ่อเรื่องมันไม่เกี่ยวกับใจอล้วยังเราตั้งพุทโธขึ้นมาก็เพื่อให้มีเครื่องสังเกตนะครับหรือว่าตาัต้พุทโธพุทโธก็มาเพื่อไม่ให้ลงเมอพอพอหม่อเผลอๆนั้นมีสตรริสับปัญญาในการรู้ตัวทั่วพร้อมให้ในการทํากิจการงานในทีตประจําวันให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทํำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทํำลายใจอยู่กับสสสสิิ่งนนัััั้้้ใหมมมมีีคววารรูึตตทพอญญะ ในการทํากิจการงานต่างๆในชีวิตกรามเป็นอยู่ให้ตัวกระจายมันอยู่ด <c oughs> <calculus> ้วยการคืออยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้จะให้กายกระจายมันอยู่ด้วยกันโดยไม่พุทโธมันติดมันก็ไม่ค่อยอยู่จะให้เมืนตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นมันก็ไม่ค่อยจะอยู่หรอกมันไม่ค่อยจะอยู่เราก็อาศัยเพิ่มขึ้นอีการคือเพิ่มพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาทํางานไปด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยแล้วก็มีติัจจญญในนกกกาาาารรทํิงดุ้้้วววยยยยยยยแลลลลจกกกััับพพพพุุุทททโโโธธธดอออ่่าาเเเเีมมมนน็็ิหู้่ ตั้งงานก็เป็นเครื่องรอยไว้ตั้งคำปฏิการพุทโธก็เป็นเครื่องรอไว้มันเลยอยู่ไงถ้าใช้ตัวเดียวบางทีมันไม่อยู่แต่เราไม่ใช่พุทโธเพื่อให้สังขารดับหรือว่าความคิดดับเไม่ไม่ดับได้แล้วคือพุทโธแล้วไอ้นั่นก็สู้กันไปเรื่อยๆก็เพื่อว่าไม่ให้เราเหมื่อเพลเพลินไปแม้แต่เราไม่เหมื่อเพลเพินนะเพอะเราไม่เหมื่อเพลเพลินเราฝึกจะไม่เหมื่อเพลเพลินแล้วเนี่ยสติไม่ขาดแล้วเนี่ยเราจึงต้องมาเห็นในจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับอะไอ้จิตเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะไม่เกิดดดััับบอ่่่ะจิิมนนนเเกยูใใีแล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 อารมณ์ทุกข์อย่างนี้นะถ้าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เป็นเวทนาคือใจที่มายึดอะไรมันก็มีแต่มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบลมเย็นมันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ต้องไปคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยลากคอยปล่อยคอยวางคอยไล่นะมันมีมันเป็นความใจมาสงบลมเย็นอยู่ในตัวของมันเองแล้วมันก็รู้ว่ามันเนี่ยไม่ไปยึดไปเกาะเกี่ยวบัวพันสิ่งใดแล้วก็มันก็มีสังขารเกิดเกิดดับดับอยู่ในใจนัแน่แต่ใจมันไม่ไปไล่ดูสังขารไม่ไปไล่ดับความคิดไม่เป็นไดับอะไรเลยมันก็เป็นใจของมันเรื่อยไปแหละเป็นใจที่ นิพพานนางปละมังศุนย์ญาณนิพพานนางปละมังสุขังเป็นความว่างเปล่าเป็นแต่ความสุขความสงบรลมเย็นสุขคือสุขคือเหนือสุขเหนือทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นสุขแบบอารมณ์สุขเดี๋ยวอารมณ์ทุกข์เดี๋ยวอารมณ์ทุกข์เดี๋ยวอารมณ์สุขเนี้ยสุขคือไม่ยึดอะไรเลยเป็นใจที่ไม่ยึดอะไรก็เป็นมันก็อยู่กับใจเป็นใจของมันเลื่อยไปเป็นใจที่เป็นผู้รู้ว่าตัวมันเนี้ยไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นแต่ความว่างเปล่าเป็นแต่ความสุขเป็นความสงบลมเย็นอย่างอื่่นวมอ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 แต่ท่านก็บอกว่ามัน ก, ก็คงอยู่ในตัวเราที่แน่มันง็แต่ว่าไม่รู้ที่ไหนแต่ตัวตนมันไม่มีแต่มันคงอยู่ในตัวเราที่แน่มันไม่คงไม่อยู่ที่อื่นหรอกเมยังไม่ตายอ่ะมันคงอยู่ในตัวเรานี่แนอแต่มันว่าไม่ได้อยู่เป็นก้อนเป็นดวงเป็นรูปร่างเป็นอะไรนะท่านบอกมันเหมือนกับจักรวาลที่แน่ถ้าเปรียบเทียบว่ามหาสุญญตาจักรวาลเดิมเนี่ยมันคือมันไม่จช่ว่ารู้สึกว่างภายในใจรู้สึกว่างข้างนอกมันเกินความไม่มีอะไรเลยเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติใจอ่ะ แล้วก็มีความเกิดเกิดับดอยู่ในใจได้แน่ะแต่จริงๆมันไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกมีแต่เใจเย็นสบายใจใจเย็นเย็นใจแต่ไม่ใช่ปะไปแบบมีอะไรตรงไหนหรอคือใจเย็นเย็นใจคือไม่เล่าร้อนไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นไอ้เย็นเหมือนน้าแข็งอะไรไหมฮะคือมันไม่เล่าร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายแต่จิตมันก็วุ่นวายมันไปตามอะไรจิตที่ปุ๊กแต่งเพราะวุ่นวายเกิดเกิดดำดำก็ไปตามเลือดตามลาวแต่ใจไม่วุ่นวายเคยดูหนังกันไหมหนังกําลังภายในอ่ะ หรือว่าพวกนินจาเคดูไหมครับ <c oughs> เออนังกําลังภายในหรือพวกนินจาเนี่ยมันจะมีคนแต่งชุดขาวเป็นปรมาจารย์ที่โอ้โหหนวดเข่าผมเข้าเข่ามวดหนวดยาวแล้วก็เก่งมากโอ้โหพนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ปรมาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็ถูกล้อมด้วยพวกมีกําลังภายในสูงเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะนี่พวกกําลังภายในก็ร้อมบูป บ, บูปบูปบูปอ่ามีมีกำลังภายในไปสูงหมดเลยคนชุดขาที่นินจาตรงกลางเนี่ย มีอยู่คนเดียวเองแล้วก็สุดท้ายอ่ะคนชุดขาวชนะทุกทีเลยคนชุดตรงกลางชนะทุกทีทําไมคนชุดขาวตรงกลางจึงชนะจึงชนะได้เพราะอะไรชนะคนจนํานวนเยอะได้เพราะอะไรคนเยอะโอ้ยเขานอเน่ะวิ่งกันวุ่นเลย๊เต็มเลยแต่คนชุดขาวตรงกลางเป็นยังไงไม่ไม่เคลื่อนไหวใช่ปะถูกต้องเลยเพราะคนคนชุดขาวตรงกลางไม่เคลื่อนไหวจึงชนะติ้งก์เคลื่อนไหวทั้งหมด